อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะธรรมารับปรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะทุกๆเช้าตั้งแต่เวลาตีห้าถึงตีห้าครึง่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสั ม, มจจพันธ์ก็เปิดรายการแล้วก็เปิดสถานีด้วยการนําเสนอรายการธรรมารัปรุณเพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นความรู้นํานสิ่งดีๆมาเป็นการเริ่มต้นวันใหม่ให้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันเป็นประจำนะคะซึ่งใน เช้าวันนี้ที่เราพบกันนั้นก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่15มกราคมนะค ะ, ะเผอคิดเดียวนะคะก็มาถึงกลางเดือนมกราคมปี 2,555 ในปีใหม่กันแล้วค่ะวันนี้เป็นวันแรม7ข็ค่ำเดือนยี่นะคะปีถอค่ะก็อยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมากราบนมัจการพระอาจารย์ไพบูรณ์อภิปิโนพระอาจารย์ซึ่งเป็นองค์วิทยากรประจำรายการธรรมรั ร, รุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะ คิดว่าท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบว่าทุกๆเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์นั้นตัวดชนั้นเองก็จะได้มีโอกาสที่จะมาทนะําหน้าที่แทนท่านผู้ฟังนะคะที่จะซักถามแล้วก็พูดคุยสนทนาธรรมะหรือที่เรารู้จักกันในภาษาบาลีว่าสาักฉากับท่านพระอาจารย์ไตรดุลภิพุโนซึ่งท่านก็เป็นลูกศิษย์เอกของพระเดชประคุณหลวงพ่อด ร, อรสะอาดทิตตพะโสหรือท่านพระครูสิทธิภาพากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนหายสูข ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโฉกอำเภอหนองหารจังหวัดอุดรธานีนะคะข อ, อนั้นทุกฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์เปโตรอภิปนโนพระอาจารย์ของเราเกันเลยนะคะลาบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาเยนพรสาธุเจ้าค่ะเมื่ อ, อาาวานนี้เราได้นําปัญหานะเจ้าคะหรือว่าสิ่งที่ท่านผู้ฟังได้เขียนถามเข้าไปที่เว็บไซต์ของพระอาจารย์นะเจ้าคะเยนพรคือเป็นเป็นคําถามเราตอบได้สองข้อตามที่ทางคุณกนกกรัฐ เคจอนแขได้เขียนถามมานะเจ้าคะ<ม>่ะเช้าวันนี้โยมอยากจะขอความเมตตาว่าจะนำเรื่องที่สามที่คุณกนกรัฐได้เขียนถามมานะเจ้าค้ามากราบน้มสักการเรียนถามพระอาจารย์เพื่อว่าจะเป็นความรู้แก่ท่ทานผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นๆด้วยนะเจ้าค่ะโ ย, ย, ยมขอเริ่มเลยนะเจ้าคะาาาา่ะเจ้าค่ ะ, คะก็ทางคุณกนกรัฐก็บอกว่าท่านมีความสงสัยในเรื่องของที่พันเตพระอาจารย์อันนี้เป็นคำศัพท์ที่พระอาจารย์เคยได้ เคยสักกระฉามมาแล้วนะเจ้าคะาว่าเรอาจจะเรียกพระอาจารย์ว่าพันเตได้ไหเจ้าคะก็พูดถึงเรื่องประมาณว่ า, าพันเตพระสารีบุตรนะเจ้าคะสุดท้ายแล้วท่านก็ไม่ได้นําความรู้ต่างๆไปด้วยกรณีนี้แสดงว่าเป็นการปล่อยวางจิตไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ที่ท่านทรงทราบหรือเปล่ า, าเพราะว่ า, าตัวดรรชนีคิดว่าถ้ายังยึดติดในความรู้ต่างๆอยู่ก็คงจะต้องมีขันห้า อีกในพบต่อๆไป mm hmm. ซึ่งก็ยังไม่สามารถทําให้จิตนั้นเนี่ยหลุดพ้นได้ดัง mm hmm. นั้นคุณกระกกรัฐก็จึงเกิดความสงสยัยต้องการให้พระอาจารย์ไปบูรนะเจ้าค้าเปิดธรรม ะ, ะให้ทางคุณกระดกกรัฐได้คลายความสงสัยด้วยแล้วท่านก็ได้แจ้งผลการรับฟังรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทางจังหวัดกาลสินนะเจ้าค่ะว่ารับฟังได้ได้เป็นอย่างดีอันนี้ก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ปิูบุตรพิพุโนได้สากระชาหรือว่าชี้แจงในประเด็นนี้เลยเจ้าค่ะกราบมีมนเจ้าค่ะเป็นฟอนที่อันดับมาได้เคยแสดงธรรมในตอนก่อนๆพูดถึงการที่ตอนนั้นท่าน菩าดิบุตรเปรนิพานใช่ไหมแล้วก็มีจุนท้าสามเณร เ, เนี่ยถือบริขารของท่าน菩าริบุตรมาเลยเดินหอบแหกๆมาหน้าตาตื่นละว่าโอ้ท่าน菩萨ดิบุตรเปรีนิพานแล้วท่าน菩萨ดิบุตรเปรีนิพานแล้ว โดยก็ถือบริการของท่านพระสารีบุตรมาท่านพระอนลก็ตรวจสอบเอา้านี่มันบริการท่านภระสารีบุตรนี่แล้วก็เลยเสียใจมากท่านพระอ น, นุลตอนนั้นนะนะพระพุทธเจ้าก็เลยถามพระอ น, นุลบอกว่าเอา้าอ น, นุลทานสารีบุตรได้เอาศีลไปด้วยไหมสมาธิเอาไปด้วยไหมปัญญาไปด้วยไหมปรินิพานเนี่ยท่านพระอนลบอกไม่ได้เอาไปเพนะราะว่ า, าแล้วเธอจะเสียใจทําไมก็ศีลอยู่ก็อยู่ที่นี่สมาธิก็อยู่ที่นี่ปัญญาก็ยังอยู่ที่นี่ซึ่งใครทําใครก็ได้ ซึ่งตรงนี้เลยต้องการจะขยายความตรงนี้ว่าศีนสมาธิปัญญาเนี่ยคือมรคคือมรคนี่คือหนทางที่ไปถึงความดับทุกข์ใช่ไหมหนทางที่เราจะให้ถึงความเป็นพระอาหารหันต์ซึ่งภาษาริวุฒิเป็นพระอาหารหันต์ละทีนี้ตอนที่จังหวัดที่ท่านพระศาริวุฒิเป็นพระอาหารหันต์เนี่ยยังร่างกายนี้ยังคงอยู่นะตอนนั้นอยู่ในถ้ำสุกราขาตาเนี่ยถวายงานพัดให้พระพุทธเจ้าอยู่เนี่ยฟังธรรมะของพระพาที่แสดงให้กับลุงตัวเองฟัง จะหมายคือพรามเล็บยาวชื่ออักิเวสนะเนี่ยพระเจ้าแสดงทําให้พระอัิเวสนะพรามอักขิเวสนะฟังอยู่เนี่ยพระสารีบุตรท่านนั่งฟังอยู่ข้างหลังข้างๆนะโดยพัดพระเจ้าอยู่เนี่ยได้ฟังทำตรงนั้นปุ๊บบรรลุปเป็นบระหันผางขึ้นมาเนี่ยณนะจุดนั้นเนี่ยนะัคือจิตของท่านเนี่ยป ร, ริญนิพัทธ์ละแต่จิตของท่านป ร, ริญนิพัทธ์แล้วนะแล้วแต่กายยังคงอยู่ใช่ไหกายยังคงอยู่แต่จิตป ร, ริญนิพัทธ์ไปละ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าเวลาที่บุคลในบุคคลหนึ่งเนี่ยปรินิพานในทิฏฐธรรมนะคือในวินาทีนั้นเนี่ยท่านก็ไม่ได้เอาศีลของท่านไปด้วยหมายความว่าไงพระเจ้าเคยบอกว่ามารรคทั้งแปเนี่ยเป็นยอดแห่งสังฆตาธรรมเป็นยอดแห่งสังฆตาธรรมสังฆตาธรรมก็คือธรรมที่ยังมีการปรุงแต่งของที่มันมีอยู่ในโลกอย่างนี้นะเช่นเราพูดถึงดอกไม้ภูเขาท้องฟ้าพวกนี้เป็นก่อนที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นสังฆตาธรรมใช่ไหม แล้วก็ตามคือมีการเกิดปรากฏมีการเสื่อมปรากฏแต่ถ้ามันตั้งอยู่ก็จะมีสภาวะอย่างอื่นปรากฏอย่างเช่นเล็บของเราเนี่ยมันอยู่ดีๆใช่ไหมถ้าเดี๋ยวมันก็งอกได้แล้วก็ตัดมันทิ้งน่นมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่แสดงว่ามันเป็นสังกตรธรรมในสังกัตรธรรมนี้พระเจ้าพูดถึงสิ่งที่เป็นยอดของสังกัตรธรรมเนี่ยก็คื อ, อมรคมีองแปดเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะข้ามฝั่งไปนิพพานเนี่ย เ, เราก็ไม่ได้เอามรคไปด้วย แต่พอมักเนี่ยมันให้เราถึงปากทางเฉยๆแต่พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับมีแพรอันหนึ่งก็าบอกว่าฝั่งนี้มีอันตรายมากใช่ไหมมีทั้งอสาอรพิษมีทั้งเพชฌฆาตมีทั้งค่าศึกมีทั้งงูเหี้ยวเกี่ยวคออะไรต่างๆเนี่ยจะตามมาทำร้ายเราทำยังไงดีอยู่ฝั่งนี้ไม่เป็นสุขละข้ามไปฝั่งนู้นดีกว่าแต่พอเขามาถึงแม่น้ำเนี่ยปรากฏว่าสะพานที่จะข้ามไปก็ไม่มี นะเรือที่จะข้ามไปก็ไม่มีเขาก็เลยเอาหญ้าไมาก้กิ่งไม้ต่างๆมารวบรวมม า, มาผูกเป็นแพรผูกนะเป็นแพรเสร็จแล้วก็พยายามไปด้วยมือกเท้าวว่ายใบต้มแต้มตมแตมไปเนี่ยพอไปถึงฝั่งนู้นเสร็จแล้วนะข้ามฝั่งไปได้แล้วเขาก็จะแค่ปล่อยแพรนี้ให้ลอยไปในน้ำนะหรือว่าก็เกยตื้นมันมาขึ้นบกแล้วก็ตัวเองก็ไปตามบาดนานะคือเขาจะไม่แบกขึ้นไปด้วยนะเขาจะไม่มามีความเสียดายว่าแพนี้มามีอุปการะแกเรามากเราแบบไปด้วยกันดีกว่า จะไม่เป็นอย่างนั้นเราก็แค่ลอยไปเฉยเช่นเดียวกันบุคคลที่เขาบรรลุเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็คือไอ้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมาช่วยให้เขาข้ามฝั่งนะไปถึงฝั่งนน้นได้พอถึงฝั่งนน้นแล้วก็สบายใจโลดเลยนะไปถึงเลยพวกนี้ไม่มีปัญหาปล่อยวางหมดในะลักษณะ น, นีนะ้ซึ่งไอ้เส้นทางที่จะทาให้เราไปถึงฝั่งโน้นเนี่ยผู้ชอบก็พูดถึงมรรคอริยมรรคมีองค์8นี้ละเองซึ่งก็ถ้าพูดย่อๆเป็น3อย่างก็ศีลสมาธิปัญญา คือหมายความกับท่านพระอ น, นุ์ในกรณีนั้นก็คือบอกว่าเส้นทางที่ทำให้เธอไปเหมือนอย่างท่าน菩าดิบุตรก็ยังอยู่นะไม่ได้หายไปไหนเธอไม่ต้องเสียใจพูดกับอ น, นุนถ้าจะพูดภาษาชาวบ้านเราก็จะพูดอย่างเงี้นะจุ่าแต่าีนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะอธิบายถึงความว่าเออเรามันไม่ได้อะไรสูญหายไปนะแต่ตัวท่าน菩าดิบุตรเนะี่ยปรินิพานไปแล้วใช่นะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ท่านไปถึงความปรินิพานอย่างนั้นเนี่ยเรายังมีอยู่จ่ายังอยู่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่ เจ้าค่ะอันนี้คิดว่าคุณกนกรัฐคงจะเข้าใจขึ้นแล้วนะคะทีนี้มีที่คุณกนกรัฐได้ได้พูดตอนท้ายเนี่ยเจ้าค่ะโยมอยากจะขอหยิบยกมาอคุณกนกรัฐบอกว่าคิดว่าถ้ายังยึดติดในความรู้ต่างๆอยู่ก็คงจะต้องมีขันห้าอีกในภพต่อๆไปทํใชใ่ยังไม่สามารถที่จะให้จิตหลุดพ้นไปได้ก็เลยเกิดความสงสัยตรงนี้เจ้าค่ะในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้อีกพระสูตรหนึ่งที่บอกว่า บุคคลที่จะไม่สามารถเป็นพระอาหารหันต์ได้เนี่ยถ้าบอว่าไม่ละธรรม6อย่างนนหนึ่งในนั้นคือความตรณีธรรม ะ, ะคือถ้าเรายังมาคิดว่าโอ้ยฉันไม่บอกเธอหรอกอันนี้ธรรมะของฉันของดีฉันไม่ให้ก็จะคุณก็ไม่มีทางเป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์จะไม่มีความคิดอย่างนี้นหรือว่าคนที่มีความคิดอย่างนี้เขาจะไม่ได้เป็นพาาาระอรหันต์แน่นยังมีความตระณีธรรมะตรนีสกุลมีมานะอะไรต่างๆอย่างเงี้ย นี่คือมานะหกที่อาจจะไม่ค่อยได้เคยได้ยินฟังกันเจนะาค่ะวันหลังคงจะต้องกลับนิมนพระอาจารย์ไปบูรณ์มาสักกระฉาเรื่องมีให้ฟังกันดีไหมเจ้าค่ะอ่า ไ, ได้ได้เหมือนกันเจ้าค่ะก็เป็นการจบคําถามที่คุณกนกรัฐได้เขียนถามมานะคะทีนี้ในเวลารายการธรรมรับบรุนของเราในเช้าวันอาทิตย์ที่15มกราคมยังเหลืออยู่นะคะ ดังนั้นก็อยากจะขอความเมตตาพร ะ, พระรอาจารย์ไพบูลอภิพุโนเจ้าค่ะนําท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังพระอาจารย์ไพบูลได้เมตตาสากัญชาในเรื่องที่วันพรุ่งนี้เป็นวันที่16มกราคมนะเจ้าคะถือว่าเป็นวันครูดังนั้นเนี่ยโยมก็อยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลเจ้าค่ะได้กรุณาเมตตาที่จะให้แง่คิดตามที่องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนไว้นะเจ้าคะ เกี่ยวกับเรื่องที่ทั้งหซึ่งก็จะมีเรื่องของครูบาอาจารย์ด้วยโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพดูนพิพุโนได้สากัรชาหรือพูดคุยสนทนาในจุดนี้เจ้าค่ะสิ่งที่โยมสังเกตนะเจ้าคะการเรียนการสอนในปัจจุบันนี้แตกต่างจากสมัยเมื่อโยมเด็กๆนะเจ้าคะก็คือเราจะมีการเรียนหน้าที่ศีลธรรมอะไรต่างๆแล้วเราก็จะนับถือครูบาอาจารย์ของเรานี่แม้ว่าจะโดนตีบ้างอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะ จะเท่าทูลครูของเราไว้สูงมากทีเดียวทําให้มีการเหมือนกับรบปลุกครูหรือว่ามีการโต้แยง้งเดินขบวนอะไรอย่างนี้เจา้าค่ะทปัจจุบันเนี่ยมันมีเกิดขึ้นโยมก็เลย อ, อ, าอาจจะเป็นด้วยการที่ว่ า, าสังคมเปลี่ยนไปดังนั้นแนวความคิดของอาชาติตะวันตกเนี่ยอาจจะเข้ามาเขาก็จะมองครูเนี่ยเป็นเหมือนกับเพียงพีงผู้ที่ทําเป็นอาชีพหนึ่งมาสอนเอง ดังนั้นความเคารพบูชาครูอะไรต่างๆตามที่องค์พระสาัมมาสัมพุทธเจ้าเคยให้ส่งสั่งสอนมา น, นั้นเนี้ยก็จะค่อนข้างจิตจางไปดังนั้นยศความเมตตาพระอาจารย์ไปบุญได้สาขาในประเด็นนี้ให้อ่าพี่น้องประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงบรรดาเยาวชนของเราซึ่งก็ต้องศึกษาหาความรู้ตั้งแต่ขั้นระดับแรกเลยนะเจ้าค่ะจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยป ร, ริญญาเอกป ร, ริญญาโทอะไรต่างๆเนี้ยเจ้าค่ะขอ ก็โดยโดยพุทธวจนะเนี่ยพระพุทธเจ้าจะพูดถึงเรื่องของทิฏฐ์ทั้ง6หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาจารย์ใช่ไหมทีนี้เราต้องมาแบ่งกันให้ชัดเจนว่าอาจารย์แบบไหนเป็นอาจารย์ในทิฏเบื้องขวาคือพระพุทธเจ้าพูดถึงทิฏฐเบื้องขวาคือครูอาจารย์ใช่ไหมทิฏเบื้องขวาคือครูอาจารย์เนี่ยเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อในะโดยฐานะ5ประการในะอันแรกเนี่ยคือด้วยการลุกขึ้นยืนรับ ทุกวันเดี๋ยวนี้ไม่รู้เขามีหรือเปล่าคุณตือนใจตอนเช้าเวลาคุณครูจะมาเข้าสอนเนี่ยเขาจะนักเรียนกราฟหรือว่ า, าทุกคนทำความครบรออะไรอย่างนี้มีไหมยมยัยงเห็นอยู่นะเจ้าค่ะอาจารย์คิดว่ายังมีเนาะอันนี้ก็คือด้วยการลุกขึ้นยืนรับอันนี้ก็ถูกต้องอยู่นะนที่สองก็ด้วยการเข้าไปยืนคอยรับใช้เข้าไปยืนคอยรับใช้นี่ก็ยอย่างสมัยที่อาจารย์มายังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยก็จะมีการที่เราต้องไปเอามีเวนกันลบกระดานมีเวรกันหยิบไมโครโฟนของคุณครูมาอย่างเงี้ยนะ ถึงจะถูกต้องซึ่งตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของของลูกศิษย์แไม่ใช่หน้าที่ของพันโรงคือบางโรงเรียนหรือว่าในสมัยในรู้สึกในมหาลัยต่างประเทศเนี่ยตรงหน้าที่ตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของพันโรงที่เขาจะมาทําลบกระดาษะอะไรต่างๆซึ่งจริงๆควรจะเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่เข้าไปคอยยืนคอยรับใช้นค่ะ เราก็จะจัดเวรไปเอาเอาไมโครโฟนไปส่งที่ห้องพักครูนะอันนี้ไปเอาไมโครโฟนมาไปเอาโปรเจคเตอร์มาไปหอบหนังสือหอบกันบ้านอะไรมาก็จะต้องเป็นก็จะต้องเป็นหน้าที่ให้รับใช้อย่างนี้นะอันที่3เนี่ยด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งนเชื่อฟังอย่างยิ่งในการที่จะบอกสอนเพราะบางทีคุณครูเนี่ยจะมีกุศลบายหลายอย่างนี่ที่จะสอนเราเนี่ยบางทีให้เราไปทําอะไรที่มันทําไม่ได้ก่อนแต่พอเรารู้ว่ามันทําไม่ได้กลับมาเพื่อให้วิธีแก้แบบอย่างนี้อ๋อ จริงๆเราไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้ทําอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของลูกศิษย์ที่จะต้องทำํำอันถัดมาคือด้วยการปฏิบัติปฏิบัตินี่ก็หมายถึงการเข้าไปทําอย่างอื่นที่นอกเหนือจากหน้าที่ที่เราจะต้องทําในอย่างพระสงฆ์อย่างเงี้ยถ้าเราอย่างหลวงพ่อดรศาสเนี่เป็นอาจารย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนอกจากที่เราจะคอยบปยืรับใช้แล้วเนี่ยเราจะต้องคอยปฏิบัติปฏิบัติในที่นี้ก็คือคอยไปทำเขาเรียกว่า อาจารย์ยวัฒก็คือว่าคนที่เป็นลูกศิษย์จะต้องไปปฏิบัติท่านเช่นคอยถวายน้ำล้างหน้าคอยถวายยาสีฟันนะนวดถวายตอนข้ามนะแล้วก็ซักผ้าซักอะไรให้ทำความสะอาดกุฏิใหนะ้นี่คือลักษณะของด้วยการปฏิบัติ <Okay. S 1> เพราะว่าอะไรเพราะว่ า, ามามองว่าตรงนี้ว่าข้อพวกนี้สีหข้อเนี่ยไม่มีเลยนะที่ว่าจะให้นักเรียนต้องเอาเงินไปให้อาจารย์ <Okay. S 2> จริงข้อที่5คือด้วยการศึกษาศิลปะวิทยาโดยเคารพมีแค่5้า5อย่างเท่านั้นเอง <Okay. S 2> ถ้าลูกศิษย์เนี่ยมันลูกศิษย์คือคนเขาเพึ่งๆ พ, พึ่งจะเรียนหนังสือเนี่ยเขาจะไปหาเงินที่ไหนเอามาให้อาจารย์นะถูกไหมเพราะฉะนั้นในในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาเปิดสํานักสอนเนี่ยก็จะมีครูบาอาจารย์เขาเปิดสํานักขึ้นมาใช่ไหมก็จะรับพวกลูกศิษย์เนี่ยมาอยู่ด้วยเลยพวกค่าจ้างรางวัลเนี่ยก็จะไม่ได้รับจากลูกศิษย์ในลักษณะของจ่ายเป็นค่าเทอมหรืออะไรต่างๆ อาจจะมีว่ า, าสมมุติพ่อแม่เขาเอามาฝากเรียนใช่ไหมก็าอาจจะมีของกำนันแหล่งต่างมาเพื่อที่จะให้มีการอำนวยความสะดวกให้การเรียนการสอนเป็นไปได้อย่างดีใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเกื้อกูลกันตรงนี้ยังเป็นลูกศิษย์ยจะต้องมีหน้าที่ในการปฏิบัติอาจารย์โดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องเงินนะหน้าที่ของอาจารย์ที่มีต่อลูกศิษย์ในลูกศิษย์คนไหนเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราจะต้องคอยตอบแทนเขาอย่างนี้นด้วยการที่แนะนําอย่างดี แนะนำดีเนี่ยคือหมายถึงว่าคุณแนะนําได้อย่างถูกต้องนะให้ศึกษาดีเนี่ยหมายถึงว่าพวกอุปกรณ์การเรียนการสอ น, นะคุณต้องมีะจะเตรียมให้เขานะถ้าพูดถึงสื่อการสอนอะไรต่างๆเราต้องสื่อการสอนต่างๆเนี่ยคือพูดถึงเรื่องการแนะนำใช่ไหมแล้วก็เรื่องของอุปกรณ์การเรีย น, นยก็พูดถึงเรื่องการศึกษาอย่างดีนะอย่างที่3ก็คือบอกศิลปะวิทยาโดยสิ้นเชิงนะคือสอนหมดหมดเปลือกไม่มีการมาหมกไม่ตะไว้ อาจมาสมัยก่อนเนี่ยเราเคยถือไมโครโฟนเนี่ยนะไปส่งคุณครูที่ห้องห้องห้องพักใช่ไหมแล้วปรากฏว่าตอนนั้นสมัยก่อนอาจามาก็อยู่ห้องกอไก่น ะ, ะ, ะแล้วก็มีครูประจําชั้นจากห้องจอจานเนี่ยเข้ามาสอนห้องกอไก่แล้วสอนวิชาสังคมจาได้พอดีเลยเราก็ถือไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรไมโครโฟนอ่ะเขาเรียกว่าลําโพงนะไปคืนที่ห้องคุณครูคุณครูเขาพูดอาจารย์มาอย่างนี้คุณเดินใจบอกว่า สอนห้องเธอนี่นะห้องกอไก่เนี่ยนะฉันเตรียมความรู้มากํามือหนึ่งเนี่ยสมมติคาบหนึ่งมีห้าสิบนาทีเนี่ยสอนสีสิบนาทีมันหมดแล้วอีกสิบนาทีที่เหลือเนี่ยจะต้องเอาอย่างอื่นมาสอนเพิ่มเติ ม, มนั้นในใ<ช> <Quel. S 2> ขณะที่สอนห้องชั้นเองเนี่ยสอนห้องจอจานเนี่ยฉันเตรียมความรู้มากํามือหนึ่งเนี่ยสอน 30, สาสินาทีสอนห้าสิบนาที ย, ายังได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งที่ต้องการเลยเป็นต้นะ <Teles. S 2> น, นะนะเขาก็เลยจะต้องคอยที่จะมาแก้ไขเรื่งต่างายอย่างนี้ เพราะนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูที่ต้องบอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิงนะคือไม่มีการมกเม็ดเอาไว้ยกตัวอย่างพวะพุทธเจ้าอย่างเงี้ยแต่พระองค์บอกว่าตอนก่อนปรินิพานเนี่ยพระอา น, นุ์บอกให้แสดงธรรมอีกให้แสดงธรรมอีกแต่พนะระพุทธเจ้าจนเครื่งพระุทธเจ้าบอกว่าโอ้ยภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจะหวังอะไรในเราอีกเล่าและธรรมะเราเนี่ยแสดงแล้วไม่ขาดระยะไม่มีอื่นนอกจากที่บอกแล้วไม่มีธรรมะในกํามือแล้วแบบไม่มีหมกเม็ดเอาไว้ไม่มีธรรมะที่อยู่ในกํามืออีก อันนี้คือหน้าที่ของครูอาจารย์นะทีนี้ถัดไปคือทําทให้รู้จักในมิตรสหายนะคือมิตรสหายของครูอาจารย์เนี่ยคนไหนเป็นลูกศิษย์เอกคนไหนเป็นลูกศิษย์ที่ทําอะไรดีเนี่ยเราต้องอบอกให้เขารู้จักกันนะแล้วก็ข้อสุดท้ายคือทําการคุ้มครองให้ในที่ทั้งปวงคุนะ้มครองให้ในที่ทั้งปวงหมายความว่าเป็นหน้าที่ของครูอาจารย์นะที่จะดูแลบุคคลอื่นๆในความสัมพันธ์กับของลูกศิษย์ในะอย่าง ในภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีคำพูดที่เรียกว่าพ่อครูใหญ่คือบุคคลที่คอยนอกจากดูแลเรื่องการสอนของลูกนักเรียนแล้วเนี่ยนะเขายังดูแลที่บ้านด้วยนักเด็กมีปัญหาอะไร ก, ก็มีการแก้ไขการช่วยเหลือที่บ้านแหล่งต่างจนกระทั่งนักเรียนเขามอบตําแหน่งที่ว่าพ่อครูใหญ่ให้คือไม่ใช่แค่ครูธรรมดาแต่เป็นครูที่ดูแลหมดทุกอย่างคือคุ้มครองให้ในที่ทั้งปวงรู้จักพ่อแม่ด้วยดูแลเพะเรื่องเกี่ยวกับที่บ้านด้วย เริ่ ม, ไ ม, มไม่มีปัญหาค่าเติมแรแต่างๆก็ช่วยส่งเสียแก้ปัญหาต่า ง, างๆให้ในลักษณะนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้ถึงจะเรียกว่าตำแหน่งอาจารย์จริงๆนะทีนี้ที่พูดถึงเมื่อสักครู่ว่าสมัยปัจจุบันเนี่ยทำไมความสัมพันธ์ระหว่างครูอาจารย์มันไม่ได้เป็นอย่างที่พระพุทธเาบัญญัติอไว้มันเป็นไปอีกแบบหนึ่งถูกไหมคุณเตือนใ จ, จซึ่งก็เพราะว่าเราไม่ได้รักษาความสัมพันธ์ตรงนี้ไง ทำใหบ้บางทีนักเรียนสอนยากบางทีคุณครูเป็นอีกแบบหนึง่งอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นะถ้าเรารักษาความสัมพันธ์เหล่านี้เอาไว้เราจะทําให้ระบบเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่อาจารย์เนี่ยจะดูแลตรงนี้นะทำการคุ้มครองให้ในที่ทั้งปวงนะรวมถึงบางทีฝนตกก็เอาร่มให้อย่างเงี้ยนะค่ะซึ่งก็เรียกว่าจะคนที่เป็นครูบาอาจารย์จริงๆอย่างเช่นในสมัยที่ สมัยก่อนๆ น, นะเจ้าคะหรือที่องค์พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสสอนไว้นั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความรักความเมตตาต่อลูกศิษย์เนี่ยเหมือนกับลูกคนหนึ่งนะเจ้าคะคือดูแลทุกสุขแล้วก็ให้ความรู้ให้วิชาการต่างๆดังนั้นก็เลยเป็นที่เคารพนับถืออย่างยิ่งนะเจ้าคะใช่<ะ>ใทีนี้เมื่อการเวลาเปลี่ยนไปเนี่ยก็ทําให้ความสัมพันธ์เหล่านี้เนี่ยประกอบ ก, บ, กบกับการที่ไปรับวัฒนธรรมของทางชาติตะวันตกมาเจ้า<ๆ>ค่ะ ก็ทําให้เด็กไทยหรือว่าแม้แต่ครูบาอาจารย์ทางทางของเราปัจจุบันนี้ในในความรู้สึกของยมคนเดียวนั้นเจ้าคะว่าอาจจะเปลี่ยนไปแต่ไม่ได้เปลี่ยนไปหมดทั้งประเทศนะเจ้าคะในส่วนแต่จังหวัดของเราเนี้ยยังคงวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามระหว่างครูอาจารย์อยู่แต่ว่าในเมืองใหญ่ๆอาจจะมีสิ่งเหล่านี้เข้ามาบ้างก็อยากจะกราบขอความเมตตาพระชจ้ดได้กรุณา ที่จะสากษาหรือว่าให้แง่คิดกับทั้งบรรดานักเรียนแล้วก็คุณครูด้วยเจ้าค่ะครับนิมนต์เจ้าค่ะในในเรื่องนี้ก็ต้องทําความเข้าใจกัน น, นิดนึงว่าเวลาที่เราต้องใช้ความอดทนกันมา ก, ก น, นะคุณตือนใจคือเวลาบางทีเนี่ยเด็กสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีผัดสะมากนะเขาได้รับสื่อต่างๆโฆษณาทีวีบ้างนะหรือว่าวิทยุอะไรต่างๆข้อมูลมันก็มีทั้งดีและไม่ดีเนี่ยทาให้เด็กเนี่ยบางทีมันก็ต้อง บอกยากสอนยากก็มีนะแต่ว่าในข้อนี้เนี่ยหน้าที่ของครูอาจารย์นะคือเราต้องให้ศึกษาอย่างดีนะคือเราต้องคอยที่จ ะ, ะให้สอนให้เขาอย่างเต็มที่แหละ ไ, ไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงคนที่ทำอย่างนี้ได้คุณต้องมีความอดทนนะเราทาหน้าที่ของครูอาจารย์ของเราอย่างดีก็แล้วกันนะอย่ามีการหมกเม็ดนะคือให้สอนให้เต็มที่นะทำให้รู้จักในมิตรสายนะบอกศิลปะวิทยาสิ้นเชิง ใครคนไหนที่เราควรยกย่องล้วก็ควรยกย่องให้เขาไปแต่แล้วคนไหนที่เราช่วยได้ในเรื่องอื่นๆแต่บางทีก็อาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างแต่เราก็ค่อยๆแก้ไปทีนี้ในเรื่องของการสอนพิเศษอย่างเงี้ยอาตมามองว่าคือความรู้พิเศษเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องมีแต่ว่าเราก็ควรจะต้องพึ่งสิ่งที่มีความครบกันในลักษณะของความเป็นครูบาอาจารย์ความรู้เนี่ยมันไม่ได้ว่าซื้อเอาได้อย่างเดียวเวลาที่เราจะรู้จะรับทราบอะไรเนี่ย มันอยู่ในจิตของเราแตนะ่ซึ่งไม่ใช่ว่าเราเอาจ่ายเงินไปแล้วเขาจะมาเปิดสมองเปิดอกเราแล้วก็มาจูนปรับจูนให้เราได้เขาทําไม่ได้แตนะ่ซึ่ง ท, ทุกอย่างนี้มันเป็นอยู่ที่เราจะต้องมาเรียนรู้เองนะตัวของ เ, อเด็กเองตัวของลูกศิษย์เองนี่แหละเนะพราะฉะนั้นตัวของครูอาจารย์เราก็ทําหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วนะก็เวลาที่มีเรื่องอาจจะขัดข้องมองใจกันบ้างธรรมาก็คิดว่าเราก็อดทนเอาวแเราทาหน้าที่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่า ถ้าเราไม่ทําตามหน้าที่เนี่ยเราจะถูกดูหมิ่นได้เราจะเรียกว่าไม่ประพฤติประโยชน์สมกับหน้าที่ของตัวเองคือไม่ประพฤติเสมอตนเสมอเสมอด้วยหน้าที่ของเราคุณมีหน้าที่เป็นอาจารย์ใช่ไหมคุณก็มีหน้าที่สอนอย่างเต็มที่อ่ะแล้วก็สอนแล้วก็คอยดูแลให้เขาในที่ตั้งปวงแต่เพราะฉะนั้นถ้าคุณตามตามหน้าที่แล้วก็จะไม่มีใครมาสามารถขรอหาได้อะไรที่มันมากระทบกระเทือนบ้างก็ออโตนาว์นะเราก็คนที่จําเป็นอย่างนี้มันหายากถ้าเราทําสิ่งที่ทําได้ยาก อดทนในสิ่งที่คนอื่นอดทนได้ยากเนี่ยธรรมามองว่าเป็นสิ่งที่จะทําให้บ้านเมืองสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมมันจเจริญดีขึ้นมานะอย่างน้อยถ้าคนอื่นไม่ทำไม่เป็นไฉันทำํำฉันทําคนหนึ่งเดี๋ยวคนหนึ่งก็ทําตามถ้าไม่มีคนอื่นทํททาตามทําไงฉันก็จะเป็นที่พึ่งของคนอื่นได้ในเป็นแบบอย่างให้กับคนอื่นๆได้นะเจ้าคะใช่ใช่เจ้าคะก็อันนั้นก็เป็นแง่คิดที่พระจันทร์ไปบุญอภิพุโนได้ในตาที่จะฝากไว้ให้แก่ บัรดานักเรียนผจิตนักศึกษาต่า ง, างๆรวมทั้งคุณครูทุกท่านนะคะในโอกาสที่วันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่16มกราคมจะเป็นวันที่เรารึกวันครูอีกครั้งหนึ่งซึ่งเดี๋ยวเรจะเชื่อมั่นว่าตามโรงเรียนต่างๆนะคะก็คงจะได้มีจัดพิธีไหว้ ค, ค, ครูการบูชาคุณครูเหมือนอย่างที่สมัยเด็กๆที่ตอนเรียนสายน้เพิ่งนี้ก็มีการแข่งขันกัน ทำพานนะเจ้าคะ oh. ประดับตกแต่งที่จะขึ้นไปกราบคุณครูอย่างนี้เจ้าคะอันนั้นก็ทําให้นักเรียนเนี่ยรู้สึกว่าไ ด, ได้ได้มีส่วนร่วมอย่างอย่างเร็วอะไรอย่างนี้นะเจ้าคะหมายถึงว่าร่วมอย่างมากในการ mm. ที่ได้ถวายหรือว่าได้แสดงความเคารพคุณครูแล้วก็มีอีกนิดนึงเจ้าคะ่ะดิฉันอยากจะขออนุญาตช่วงนี้ถามแทนทั้งฝั่งทางบ้านนะเจ้าคะ ยงขอถามว่าที่เวลาเราไหว้วันครูนะเจ้าคะที่ตามเดิมมานั้นเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของต้องเอาดอกเข็มนะเจ้าคะห mm hmm. ย้าแพกอย่างเงี้ยเจ้าคะมาไหว้คุณครูเนี่ยอันนี้เป็นกุศโลบายอันนึงที่จะทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเราว่าอิคุณครูเคารมคุณครูแล้วเนี่ยโดยการนําดอกไม้ที่เป็นดอกเข็มก็ทําให้เรามีสติปัญญาเฉียบแหลมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะ มานี่อันนี้ในสมัยพุทธกาลมีการกล่าวถึงตรงนี้บ้างไหมด้วยคะอ๋อถ้าจะพูดถึงพุทธวจนะที่จะสอดคล้องกับตรงนี้ก็พูดว่าอะไรที่ทําแล้วจิตเราเป็นกุศลนี่เราทํานี่ยถ้าเราใช้ดอกนี้แล้วจิตเราจะเป็นกุศลเราทําถ้าเราใช้สีนั้นเราจิตจะเป็นกุศลเราทํานีก็จะลงได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเขามีกุศลบายอะไรยังไงแล้วก็ถ้าจิตเราเป็นกุศลเราก็เอาหลักแต่ถ้าจะต้องด่า ก, กันได้ว่ากันมาขโมยเข้ามาเพื่อที่ได้มาสิ่งนี้เราก็ไม่ทนะําเจ้าค่ะอื ก็คือทําอะไรก็ได้ที่ที่ดีแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทําสิ่งที่ดีงามให้แก่ตัวของเรานะเจ้าค่ะถ้าพูดถึงโดยพุทธวจนะเนี่ยก็จะไม่มีคําที่แบบว่าเฉพาะเจาะจงว่าต้องดอกนี้ต้นนี้สีนี้ใช่จะไม่เป็นอย่างนั้นเจ้าค่ะอยู่ที่จิตใจจริงๆใช่ใช่ใช่ช่เจ้าค่ะอ่าท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารุณในเช้าวันอาทิตย์ที่15มกราคมนี้ก็ใกล้จะจริงนจิตลงแล้วนะคะก็คิดว่า หวังใจว่าค่ะสิ่งที่เดินได้นํา ม, มากราบเรียนถามพระอาจารย์ไปบุญอภิธิโนคพระอาจารย์ของเราในเช้าวนันนี้ซึ่งเป็นเช้าวนาันอาทิตย์ที่ส5มกราคมนั้นเนี่ยคงจะได้ให้เพื่อความรู้และก็ให้แง่คิดดีๆรวมทั้งมีธรรมะดีๆให้แก่ธรรมะฟังทางบ้านกันได้มากตามสมควรนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องอําลาจากกันแล้วนะคะก็สำหรับธรรมะฟังทางบ้านถ้าหากว่ามีคําถามอะไรหรือยอยากจะให้เดินได้กราบ เรียนถามพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนในรายการธรรมรัปรุณในช่วงของวันเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นการสักการะนั้นก็สามารถเขียนจุดหมายมาได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการธรรมรัปรุณนะคะถนนวิภาวดีรังสิตเขตกินแดงอุ้ยควางนะคะกรุงเทนย์สี่ศูนย์ค่ะวงเล็บมุมจองว่ารายการธรรมารัปรุณนะคะหรือว่าจะเขียนเข้าไปในเว็บไซต์ของพระอาจารย์ แล้วก็ทางวัดป่าดอนไฮสุกโดยตรงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือเพียวธรรมะคอมค่ะหรือหลวงพ่อ .doctor. คอมนะคะอันนั้นก็จะไปถึงพระอาจารย์ไพบูรณ์เราเหมือนเดิมค่ะสําหรับเช้าวันนี้ก็คงจะต้องขอนำท่านผู้คนทางบ้านนะคะกราบน้มักการะขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งแต่พระอาจารย์ไพบูรณ์อภิปุโนโลูกศิษย์เอของพระเดชทุกทูนหลวงพ่อดร c t o r สอาดทีตัวพรโซ่ท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไฮสุกซึ่งตั้งอยู่ที่ตาบลดอนไฮสุกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะ แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงของสักกษาในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะแต่สําหรับในเช้าวันพรุ่งนี้ตีห้าก็มาพบพระอาจารย์ไปบุญอภิปุโนโดได้เหมือนเคยนะคะซึ่งท่านก็จะมีธรรมะดีๆมาเสน่ห์ท่านมาฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะสําหรับเช้าวันนี้เรามากลับน้มัสกากราบขอบคุณและกลับนมบัญชาลาพระอาจารย์กันพร้อมกันนะคะกลับน้มบัญชาลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจมส์พานาทุเจ้าค่ะ